แล้วก็แค่ขอ๋ตอตาเคยไปเที่ยวต่างประเทศบางทีคนพาไปเหมารถพาไปเขาไม่รู้ล้วก็เอาแผนที่มากลังให้เขาดูนี่มันไปตรงนี้แล้วก็ พาไปถูกต้อง <c oughs> ในชีวิตเราก็มีแผนที่เริ่มจับทางชั้นแรกเบื้องต้นข้าวแรกก็มาดูกายนี่กายนี่ไปเป็นสิน่งที่บอกผิดบอกถูกนนอิจนาเป็นสิ่งที่บอกผิดบอกถูก ที่มันเกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่บอกผิดบอกถูกอมอารมที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งบอกผิดบอกถูกอย่าหลงพระเจ้าก็ชี้ให้แล้วชี้ทางให้แล้วตั้งอันเอกหลายเลขหนึ่งมันจะเดินทางเข้ากรุงเทพสองศูนย์หนึ่ง ไม่ใช si <rer> cut <Bu> ่บอกเลยนะจับหมายเลขสอนสูงหนึ่งก็ถึงกรุงเทพแน่นอนนี่คือแผนที่พระเจ้าก็แสดงให้แล้วว่าเอกะมโกวิสุทธิยาหมายเลขหนึ่งที่จะเป็นทางไปสู่ความพ้นทุกข์ ไปสู่มกขุนิพพานทางเส้นนี้ต้องเดินเราเองเดินคนเดียวไปที่เดียวไปถึงจุดหมายปลายทางที่เดียวกันเราก็เริ่มต้นเห็นกายพระเจ้าก็บอกไว้ว่ากายสวากายไม่ใช่สัตว์บุคคลโตตนราเขา กายนี่มันก็มีหลายอย่างบางทีท่านเกิดหลงเกิดลูกเกิดชกเกิดทุก ข, า ข, าข์เพราะกายก็แงะอยู่เี่เวลาไปกับกายเวลามันบอกเราไม่รู้รีบเอาสาจับเอาช้ามันชกก็ุกไปเลยเป็นตัวเป็นตนกับกายกายไม่มีกายกายในกาย ้เป็นตนอยู่ในกายเรียกว่ากายในกายผิดแล้วก็เป็นสุขเพรากายเป็นทุกข์เากายเป็นตัวเป็นตนเกิดเป็นขันเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต่อขึ้นไปอีกเป็นกองทับถมกันลงไปสต่ ก, กายล้วนๆไม่เป็นอะไรมันบอกความเท็จความจริง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 อริยสัจเนื้อดูสอง ก, จก็จบสงเงาใน ก, จก็จบอันนั้นเป็นกายนอกงามแต่กายนอกแต่กายในอาจจะไม่งามก็ได้จึงเห็นกายในทักท้วงเลยเลยว่ากายสวะกายไม่ใช่สัตว์ดุคนตัวตนเราเขา ผ่านไปถ้าเขาได้ที่สิ่ ง, งต่างๆเกิดกับกายเอามาเป็นตัวเป็นตนกูร้อนกูหนาวกูสุขกูทุกข์กูปวดกูเมื่อยอันนั่นก็กายก็กักให้ให้ไปไม่ได้เป็นด่านที่มันกักให้ผู้เดินทางไปไม่ได้เมื่อหลงตั้งแต่ต้นทางแล้วก็ไปไม่ถูก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 เห็นความหลงเห็นเหตุให้ไปเกิดความหลงเรียกว่าเห็นของจริงเห็นของจริงอันประเสริฐเห็นมันหลงเห็นมันสุขเห็นมาทุกข์เนี่ยมันมีอยู่ทุกคนสุขเป็นสุขทุกข์เป็นทุกข์หลงเป็นหลงผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกอะไรต่างๆมันก็วนเวียนอยู่นี่ เรื่องเก่าทุกแล้วทุกอีกงมงมสาวสาอยู่อย่างนี้มันก็ไปไม่ได้ให้มันรู้รู้เห็นรู้เห็นนี่ไม่มีคําถามมีแต่คาตอบตัวเองต้องตอบเองนี่คือหลงเจอกับความหลงนี่คือรู้เจอกับความรู้ความรู้ความหลงเป็นคู่กัน ล้วก็เป็นผู้เห็นทั้งสองอย่างมันหลงมันจึงรู้มันรู้มันจึงเห็นความหลง <c oughs> เห็นความหลงก็ผ่านความหลงได้นี่ ว, ว่ากาก็าสกว่ากายไม่ใช่จตุ ค, คุณตัวตนโลภโขทุกคนปฏิเสธไม่ได้เห็นทุกคนโดยเฉพาะกับมาฐานนี่เป็นวิชาที่กวน กวรให้เกิดอะไรที่เป็นเป็นทิศเป็นจริงในในเรื่องของกายเมื่อเราควรน้ำในบวกน้ำมีปลาอยู่ในน้ำจีตัวมันจะงอมขึ้นมาถ้าจับปลามันก็จับได้จเจับงูก็เอาได้จะจับเอาก้อนอิฐก้อนหินก็ได้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 เราเห็นมัน้นบังทีเดินยองกลมสามสี่ชั่วโมงขามันแตกกกขามันแตกมันก็ต้องแสดงหละเดินไปนานก็ปวดเมื่อยนั่งไปนานก็ปวดเมื่อยแต่ว่าโสแสดง การแสดงอาการกต่างๆเกิดกับกายเราเรามาเป็นตัวเป็นตน้นเอาอาการกต่างๆมาเป็นตัวเป็นตน้นเรียกว่าไม่เห็นถ้าเห็นก็เรียกว่าเป็นขี้ด้างไปเป็นอาการอย่างเนี้นี่ในชีวิตของเราทุกคนแล้วก็มีด่านอีกเวทนาที่บรรทุกบรรทุก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 มันก็เห็นแจ้งจนเกิดส ม, มาธิว่าเวทานาฝักว่าเวทานาอาเชษฎ์บุคคลตนตอนโราเขานี่ส ม, มาธิเหมือนกับลุงงอรุณของกอนเดินทางจับเส้นทางได้บ้างก็เห็นเวทานาสุกเป็นสุกทุกเป็นทุก เป็นผู้สุขเป็นผู้ทุกข์ก็เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเห็นสุขเป็นสุขเห็นทุกข์เป็นทุกข์เราก็เป็นผู้สุขเป็นผู้ทุกข์เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิถ้าเห็นมันสุขเห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้สุขผู้ทุกข์อันนี้เป็นสมมตทิฏฐิได้จิตนั้นก็มีอยู่คิดโน่นคิดนี้ไม่มี มันมีอยู่ก็จะให้มันรู้ตัวมันลันไม่รู้มันหลงไปคิดเรื่องอื่นแต่ก่อนก็มีศรัทธาก็พอมันคิดอุตส่าห์มากพอมันเกิดควเมื่อนายก็ขาดศรัทธามันก็คิดเบื่อนายการพวงๆแดงๆแบบนี้เขาเรียกว่าจิตที่มันไปย่องออ อารมมันไปย่อมจิตเป็นอาการเ ก, กิดกับจิตไม่ใช่จิตอนี้ก็เห็นมันจะเกิดความสุขความทุกข์ความรักควชังเพราะจิตจะรับใช้จิตในประเภทนั่นถ้ารับใช้จิตมันสุข ก, ก็สุขมันทุกข์ก็ทุกข์มันรักก็รักมันชังก็ชังมันโกรธก็โกรธไปตามอารมที่มัย่อมจิตมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิ ไปไม่ได้ถ้าเดินทางไปไม่ได้ทั้งไหนโซ่ไม่แจ็คกุญแจไม่ไขไปไม่ได้ธรรมที่บันเกิดกับกิจไม่เป็นอ า, าอารมณ์เป็นควา ม, มง่วงเหงาหานอนควาําลงลยสงสัยความคิดฟุ่งซ่านกามมลาคะปฏิฆะ อิจฉาพยาบาทเกิดขึ้นได้ในจิตมันเคยเปเื่อนมามันก็ต้องฉายออกมาตามนิสัยปัจจัยของชีวิตเราที่ใช่ผิดผิดใจะเห้รักให้โกรธให้สุกให้ทุกข์ให้พอใจให้ไม่พอใจมันก็ติดมาชั่วดีเป็นตาเป็นเลนเป็นติดเป็นถ่ายภาคมาเหมือน การใช้ชีวิตแบบไหนมันก็ติดมาเหมือนเลน้ากล้องที่ชี้น้อยถ่ายอยู่เนี่ยไปถ่ายเอาภาพอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นถ้าตัดต่อภาพไม่เป็นก็ถ้าจะแสดงเป็นนักถ่ายภาพต้องดูดูมุมดีๆดูมุมดีๆมุมไหนมันชัดจึงกดแฟดเข้าไป มันยังไม่เสียหายชีวิตของเราเนี่ยมันทายเอาตะพืตะเพอสุขก็เอาทุกข์ก็เอาโกรธหลบหลงกิเลสตัณหาราคะไปบาทเอาหมดมนีกันทุกคนเรื่องนี้ันเรียกว่ากิเลสพั 15, นห้าตัณหาร่อยแปดเห็นนะ่ะทำมันเกิดกับกิจบางคนไปเอาอารมณ์ว่าเป็นกิจไม่ใช่กูโกรธกูสุขกูทุกข์ กูพอใจกูไม่พอใจอารมณ์มันไม่ใช่จิตมันเป็นสังขารมันปรุงปรรแต่งมันกลายเป็นพบเปญญ็นยากเป็นเปรตเป็นชั่วร้ายพิ็นสนก น, สนกหรือฉานได้ภูมิเนี่ยมันจำเอาเลยมาก็เอาหมดพวออกเอาหมดว่เาเราสศกเราทุกข์เราเฮ้ยต่างๆ่ะแล้วว่าทำอารมณ์ เวลามันเกิดความม่วงขึ้นมามันก็ทำมันแล้วอ่อนแอไม่เข้มแข็งแต่ถ้านักปฏิบัติแต่เข้มแข็งในความอ่อ น, นแอจะรู้ในสิ่งที่มันหลงจะเห็นมันทุกอย่างอะไรที่เห็นไม่เป็นเนี่ยมันเป็นเป็นมักมักคือดูมักคือเห็นอันนี้ยเห็นเ ข, ขาใขของมัน ไอ้หลงเกงก็รูเกเจ่งตรงนั้นอาจจะดีกว่าคนที่ไม่เคยหลงงั้นคนทำงา น, นตอนทำงามนมันผิดนี่ประสบการณ์มากกว่าคนที่ไม่เคยทํางานอย่านี้ประสบกับการทํางานมามากนักปฏิบัติผู้ปฏิบัติประสบกับปัญหาที่เกิดกับกายกับใจมามากทุกกรณีมันก็เจ๋งหน่อย แต่ใครเป็นอะไรวะก็รู้จักได้เพราะมันเป็นอันเดียวกันฟังครับผู้ของเขาก็รู้รอ้ได้เพราะมันอันเดียวกันเช่นความโกรธอันเดียวกันทุกคนความทุกข์กิเลสตัณหาอันเดียวกันกิเลบาทก็อันเดียวกันไม่ใช่คนละอย่าง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 เราจึงเป็นอันเดียวกันนี่พระธรรมมันพระผู้มีพระเก้ารตดไว้ดีแล้วอย่างเนี้ยเราไม่เห็นไม่รู้เราหนี้ไปเสียแล้วนี้แม้คนอื่นบอกเราฏปเสธไม่ชอบไม่ถูกนิสัยกับเรามันก็เท่ากับไปเสดตัวเองไปลุงปิตาตัวเองบางทีไม่มีดอกมากผลในพผ่านทุก ว, วันนี้ น, นี่ปฏิเสธตัวเองได้ว่าเก่าถูกพระธรรมไม่ในขวางทางตามรอยพระอรหันต์เป็นบาปประชิกไม่มีโวเกิดบรรลุธรรมเลยมิเชื่อทิฏฐิแบบนี้เราจึงต้องศึกษาดูให้ดูมาดูว่าดูคุยเจ้าว่าอย่างนี้ เชิญมาดูโอเอฮิป จ, จิโกนี่ยเชิญมาดูโอปนายโกน้อง ม, มาใส่ตัวเราน้อมเราเข้าไปดูซิเดีย๋ยมันหลงน้องก็รู้มาหาเราอย่าเวลามันหลงเรกแข่งกระ ด, ด้างมันมีหลงมันมีรู้มองเป็นสองกรณีอย่างเนี้วยแต่ว่ามีทิศมีทางหลงทางสู่ทางอย่างเนี้ ในเวลามันหลงให้มันลูกต่อมันจะเป็นการตีที่สุดด้วยปฏิบัติเวลามันหลงไม่ลูกไม่ใช่นักปฏิบัติเป็นคนเกียรติ้าน <c oughs> บุคคลผู้คือคุณคิดในลมที่คุณคิดไม่มีสติไม่สั่ความคิดออกแม้เธอเดินจะกรมอยู่นั่งสมาธิอยู่ก็ถือว่า บุคคคนคนั่นแหละเกียดข้า่ที่สุดอย่าเอาการเดินการนั่งมาเป็นเครื่องหมายส่วนผู้ใดเวลามาคุณคิดในลมที่คุณคิดมีสติทูวสักตัวบุคคนนั่นเป็นคนขยันโยจะวาชิดังชีเวกุสีตโตหวมีลิโยวิลิยังอลระปโตทันหนัง หลวงพ่าเดียนเคยพูดเรื่องนี้คออกกนผู้เกียรตข้ามมีชีวิตอยู่ร้อยปีไม่ประเสริฐกับผู้มีความเพียรในวันเดียวหมายถึงอันนี้ไม่ใช่เกิดมานานเพราะการเกิดไม่ใช่เราจะเป็นคนแก่แก่เพราะความรู้ไม่ใช่แก่เพราะอยู่นานเป็นคนงามงามที่น้าใจไม่ใช่ใบหน้า ก็จสวยๆที่จันยาไม่ใช่ตาหวานก็จะแก่ๆเพราะความรูปใช่อยู่นานก็จะรวยๆเพราะศีลเพราะธรรมไม่ใช่บ้านหลังใหญ่โตอันนี้เป็นอาสาภายในงามน่ามใจแม่ร่างกายมันจะมอมแม้มจับจอบจับเสียมทั้ก็ยัางงามในใจเกล่นเบื้ล่างเคยได้ยินไหม โอลางําข้าวฝาฟืนอยู่ในสำนักปฏิวัติธรรมไม่ได้ไปฟังเทศฟังธรรมกับเพื่อนเลยมัยยวแต่ฝ่าฟืนตําข้าวทำอาหารให้ผู้คนกินแต่ทาไมได้บรรลุธรรมก่อนหมูเร้ะมันอยู่ในใจมันงามอยู่ ตอกแดดทำข้าวหัวไหลไข่ย้อยอาจจะโลงเพลงเป็นเช่นนั้นเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหนื่อยก็ไม่เป็นไรร้อนก็ไม่เป็นเลยทํางานก็ไม่เป็นไรว่าส่วนคนที่นั่งอยู่ใกล้กับใบจารนาจิงเอาจงดีกู่เขาลุกขู่เขา ไม่มีใครเจงโกโลในที่เนี้สามกันมั่นหมายเลยไม่รู้ทำอะไรอาจารย์สังฆะไปยกองค์ที่ห้าประกาศให้ผู้มารับสังฆะปรปยกแทนในองค์ที่หต่อไปทุกศีษ์ตั้งหลายแข่งขันกันอยากเป็นสังฆะปริญายกเหมือนเขาเลือกตั้งสสสสสโสโสโสบวต อ <c oughs> ลูกทีก็แข่งขันกันอาจารย์บอกว่าให้เขียนสลูกมาให้ดูเอากระดานไว้หน้ากติกใาจะมีสลูกอะไรมาเขียนนี่ภายในเจ็ดวันอาจารย์เจ็ดวันแล้วจะออกมาดูลูกศิษย์คนก็ ค, คิดกับอาจารย์ ก็มาเขียนโชว์สติปัญญาของตนชีวิตเหมือนกระจกเงาเหมือนเช็ดถูอยู่เสมอแล้วไม่เคยคนอื่นมาอ่านปัะถูไม่มีอีกแล้วเท่านี้พอแล้วไม่มีใครค้าเขียนพิชิตในสรุกนี่เลย มีอาจารย์ไว้หลังคนทาข้าวเ่าเพื่อนชวนเพื่อนเขาเขียนยังไงเขียนหนังสือก็ไม่ออกเขาเขียนว่าอย่างไงมาดูวันสุดท้ายมาดูวันสุดท้ายอ่านไม่ออกอ่านได้ฟังหน่อยเขาเขียนยังไงเพื่อนก็อ่านว่าชีวิตจิตใจเหมือนกระจกเงาหมันเช็ด อยู่เสมอเจ็ดตัวอยู่เสมอวิรางก็บอกไอ้เพื่อนเขียนให้สักหน่อยได้ไหมเพื่อนก็เขียนได้จะเขียนยังไงเขียนต่ำๆล่องมาเมื่อไม่มีกระจกเงาฝุ่นจะมาเกาะที่ใดวิราง <laughs> ใช่ไหอวันที่เจ็อาจารย์มาตรวจโย สองสโลกสโลกหนึ่งของใครไม่โลสโลกที่สองของไข่ไมโลอาจารย์เลยปรึกษาลูกศิษย์ผู้อยู่ห่างๆมาดูสิอันนี้สลกของไข่นะสะลกของไวลง่งไวลางอยู่ที่ไหนล่ะจำข้าว่ลาพื้นอยู่นู่นจ <laughs> ำข้าว่าฟื้นอยู่ น, นู่น เรเรียกเวลางมานี่ตั้งแต่ตีหนึ่งอย่าให้ใครรู้จักเรียกมหาอาจารย์ที่กติเวลายังกำลังเล็บตีนเล็บมือผูพังไปหมดต่ำเข้าพาพืน้นด้านไปหมดเลยฮน่าด่าไม่ดีเลยให้เหมือน <c oughs> อาจารย์ก็ยกบ า, ากกยกจีวรให้ไ ป, ไปออกจากวัดตั้งแต่เช้าเลยอย่ามาอยู่นี่ไปยี่อกจวัดไปอาจารย์ก็ลบทั้งหมดปดิที่สุดไม่เห็นอาจารย์มอบบาฎมอ บ, มอบสังขารติให้ใครเลยถามเอาคนที่อยู่ในวัดไม่มีมันก็อยู่กันหมดเนี่ยแต่ว้ยสางหายไปไม่เห็นเวลา ไม่มีผลค่าคิดเลยว่าคนอย่างนั้นจะได้มรดกทำเลยเหรอใจมัน ง, งาตามข้าวก็ไม่เป็นไรร้อนก็ไม่เป็นไรเหนื่อยก็ไม่เป็นไรวางปล่อยอไม่มีตัวไม่ตนโอ้นั่งไกลคิดอญญดาจาย์ปวดขาโอ้ยปวดไม่ไหวไม่ ไ, วไหวตายตายตายหลวงพ่อมันปวดขาเอ <laughs> อนี่ก็บินไปกระมันแลยใจเป็นอาจารย์ไวหลังตามข้าปวดขาเมื่อกัดไม่เป็นลายแขปวดก็ไม่เป็นลายทุกข์ก็ไม่เป็นลาหนาวไม่เป็นลาเดือดร้อนไม่เป็นลายฝนตกเปียกไม่เป็นลายวางหวไม่เป็นไลายเห็นไม่เป็นไม่เป็นไปกับอาการต่างๆที่เกิดกับกายกับไปทนาจิตธรรมนี่คือผู้มีสติเรียกว่า เห็นไม่ใช่เป็นพอเห็นนี่ก็ไปกันได้ละปล่อยแต่พื้นแพื้นหรเร่แรกก็เรื่องเล็กแต่น้อยก็ไปเรื่องใหญ่ขึ้นโตขึ้นโตขึ้นก็จริงในภาวะนี่เปลี่ยนสังขารเป็นวิสังขารเห็นรูปธรรมนามธรรมโยลงมาเป็นการเห็นเห็นรูปกายใจนี่ เวทนาจิตธรรมมันเป็นรูปเป็นนามไม่ใช่ตัวตนเหมือนเราสวดบางที่นี่สเพสังกาลานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจเนี่ยรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดต้องเช้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปแล้วมีจริงยังมาให้หลวงตาดูซิความโกรธเป็นไง <c oughs> มีไหม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 อันความสูกควมทุกข์กมีค่ามีลถชาติ <c oughs> สำหรับเรามันให้ลถทางชาติหรือว่าลถของโลกมันไปอย่างนี้นะเธอปฏิบัติไปอย่างนี้นะไม่ใช่ไปเห็นพระพุทธเจ้าเห็นเทวดาตัวแดงๆเห็นพระผมสีเขียวๆลูกเหอเทวดาเทวดาอยู่ตอนต้นไม้ เทวดาเทวดาอตามแผ่นดินอากาศสาเทวดาเทวดาอิตมอากาศต้องฟ้าก้อนเมฆเด็กก็อยู่บนก้อนเมฆท่านสิบท่านหาเป็นเทพว่าอยู่ช้นว่าย้อนย้นขึ้นสวรรค์ของนงอย่ามาของยยกีดินเ้ยโมเด้อ โยมก็สาธุที่เงินใส่ขันสมผานแถมสมผานชอบอต่อต่บอกว่าใจร้ายเป็นผีใจดีเป็นพระไม่ชอบอยากให้ใจดีๆเป็นพระก็ไม่เอายอดเป็นผู้วิเศษจะไปอยู่ได้ไหมฟ้าขี้้าหย่อนหย่อนจะไปอยู่ได้ไหมนะ อยู่ได้ไหมไม่ขี่ไป น, นั่งอยู่ก่อนเม่กได้ไหมแต่เป็นเทวดาต้องอยู่นู่นเนาะมันจะอยู่ได้ยังไงองตาขึ้นเครื่องบินรอบโลกมาแล้วไม่นชนชนก้อนขี่ฝ่ากี่ก้อนขี่ก้อนไม่เห็นบ้านเทวดาเลยเทวดานี่นั่งอยู่เนี่นี่เทวดาหลวงตาเทวดาหลงตาลงพระหวานจุลา เนหมอพยาบาลเทพธิดาเทพปบุตรคนพวกนี้ช่วยกันนะมีเมตตากั น, านต่อกันนะมันช่วยกันได้น้องตาได้คิดนะ่ะเดี๋ยวนี้ก็มีพวกนี้มาช่วยเทวดาพยาบาลเทพปบุตรคนหมอรักษาโรคมดเรื่องตายไปเรื่อยมาคืนมาได้เนะี่ยเทวดาเทพบุตร มีคนนี่เรามอยช่วยกันะ น, นะเราจึงมาปลุกเศกคนให้เป็นเทวดาใจดีๆได้เป็นสวรรค์ถ้าใจร้ายได้เป็นนรกถ้าใจเย็นได้เป็นนิพพานอย่ารอเมื่อตายไปแล้วเอาเดี๋ยวนี้เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้เดี๋ยวนี้เดินไปเดี๋ยวนี้ เปลี่ยนควาทุกข์เป็นความรู้เดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้พ้นไปเดี๋ยวนี้โกรธอยู่ที่บ้านโอ๊ยไปปฏิบัติธรรมสกุลโตก่อนตอนนี้โกรธไปก่อนไม่ได้เปลี่ยนทันทีเกิดความร้ายเป็นกวมีดีเหมือนหน้ามือหลังมืออย่างเนี้ยเปลี่ยนทันทีปฏิบัติเคยเปลี่ยนล่ายเป็นดีอย่างเนี้ยมาเปลี่ยนมาหาัดมาเป็นเพื่อนกัน มาลูกไ้เห็นอันเดียวกันอาจารย์ท่านก็พานั่งปฏิบัติอันเดียวกันไม่เปี่ยวเดียวดายไม่เหมือนสมัยพุทธเจ้าพระองค์อยู่คนเดียวคนเดียวไม่มีกติไม่มีหัวใจนั่งเหมือนเราอยู่ที่ต้นโสจีมหาโพธิ์ของตาก็เข้าไปดูแขกมันทําลูกกลง ไว้ไม่ให้คนเข้าไปคนจะไปเก็จิตต้นโพเขบก็อยู่พออยู่ไม่ให้คนเข้าไปใกล้ต้นสีมหาโพได้ลองต่เห็นตอนเช้าเช้าไปตั้งแต่ตีสองตีสองใกล้ยต้นสีมหาโพ ก็เพ่ออยู่เอารูปีให้มันสองรูปีเปิดให้ด้วยให้แจกเปิดประตูให้แจกมันได้โดูปีเศษเปิดให้มองหน้ามองหลังไม่เห็นก่อนเราเราก็ไปนั่งอยู่จะไปนั่งอยู่ต้นสีมาโพกับแท่นศิลานั่งเหมือนกับพระพุทธเจ้านั่งต่อน้าเรา เราจอหน้าพระพีพระพักของพระ อ, องค์น้งองมโนพ่า <c oughs> แล้วก็ใบโพลล่นลงมาลงมาก็จับเอาก็เลยเอามาถึงสกุกโตเนี่ยเอาให้พ่อจงไวติดรถตั้งแต่ปีห้ารอยยี่สิบเจ็ดอันนี้ก็ถือวา โพธิอันนี้คือตัวปฏิบัญญาไม่ใช่ไปโพแต่นี่ไม่เป็นนิมิตได้อ่าเพราะนั้นเนี่ยนี่หละสิ่งเสองกิงมีไหม้กายมีไหม้กายฮะนั่งอยู่นี่มีกายไหมมีเวทนาไหมมีสุขมีทุกข์ไหมมีร้อนมีหนาวมีปวดมีเมื่อยไหมมีหิวไหม นันแหละเวทนาเป็นผู้หิวเลยเห็นมันหิวอะเป็นผู้ปวดหรือเห็นมันปวดเป็นผู้ง่วงหรือเห็นมันง่วงถ้าเป็นผู้ง่วงเป็นผู้หิวเป็นผู้ปวดไม่เห็นตามความเป็นจริงได้หลงตรงนั้นแล้วจิตไม่ไหมคิดอ่ะมันคิดไปถึงหลัมไปมากไไหมคิดถึงกรุงเทพไหมไหม อะไรที่มันอดีตที่ผ่านมาเอามาคิดมีไหมไมีหลั <laughs> งตานี่เป็นคนคิดเก่งเหมือนกันเรื่องนี้อ้อยหลอกเราอย่างแม่นจำอะไรความคิดเนี่ยโทรๆๆรมันจะหลอกให้เราหิ้วกะป๋ากลับบ้านเลย <laughs> ขนาดนั้นนะมองเลย <laughs> เรามีฝีมือเรามีการทํางานเรามีครอบมีครัวมาอยู่นี่สร้างที่ไหมไม่ได้เลยเลยฮะกลับบ้านเรามาปั๊นนี้ทํางานได้เยอะแล้วหลอกมีเหตุมีผลเยอะแยะทุกคนมีเหตุมีผลเหมือนกันเอาความคิดว่าเป็นตัวเป็นตนให้มันหอพผิวเราไปเป็นสุขเป็นทุกข์ความคิดมีเหมือนกันบัดนี้เรามาเห็นมัน เราตั้งใจใจะรู้อยู่เนี่ยเอามันคิดขึ้นมาเอ้าตื่นตัวเร า, าเราดีเวลาเวลานี้เรามาใช่มานั่งคิดเรามามีสร้างสติเนี่ยดูเนี้ยรู้เนี้ยเรามาสร้างตัวนี้มวัวติคิดอยู่มันเสียวเวลาเดินจงกรมไม่ใช่เดินคิดเอา้าเราคิดไปกลับมานี่กลับมานี้ยกลับมาได้มันคิดไปกลับมามันคิดไปกลับมา เอารีบทีนี้ไม่ต้องเนี่ยเกาะไหวเกาะไว้กาะไว้กาะเอาไปวางก็ง่ายที่จะไม่คิดง่ายที่ลูกเข้าไปตัวลูกมันมีมากขึ้นมากขึ้นมันก็เป็นธรรมดาตัวหลงก็ ค, ค่อยหมดไปหมดไปหมดไปถ้ามีตัวลูกมากกว่าตัวหลงจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพิสูจนตรงนี้กันพระพุทธเจ้าถ้าทายตรงนรตตเนี้ยผู้ใดมีสติต่อเนื้อ หนึ่งวันทั้งเจ็ดวันอย่างไวหนึ่งเดือนทั้งเจ็ดเดือนหนึ่งปีทั้งเจ็ดปีจะเป็นพระหานได้มีใครพิสูจน์ลงในดววัดป่าสุโขโธขอขอเป็นเพื่อนมีเข้าวให้กินมีที่อยู่ที่ไม่ต้องเช่าเพราะไม่ต้องซื้อไ ม, ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องทํากันเล่นๆนานเหลือกเกินในหมู่ชาวพุทธบริษัทเรา ทีจะมาศึกษาเรื่อนี้จริงๆมีแถมเรื่องอื่นกันมากมายนั่นเราขอทอดทายในครั้งสอนผูเจ้าเราขอเข้าข้างพู้เจ้าว่าอยากให้ทุกคนมาทํารื่งนี้ลองดูจึงประกอส40วันก็มาถอน40วันก็มีไม่มากนะมีไม่มากมีน้อยเจนเองนะเอ้า กำควแล้วละวันนี้หลวงตาก็พูด ท, ทุกวันทุกวันอย่าเบื่อหนนะออ่ายนะอ่ากราบพระพระ่อครับ